ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา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 แม้ร่างกายจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรเกิดขึ้นก็ทำใจให้เฉยไว้อย่าไปยุ่งกับล่างกายมือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนส่วนให้อยู่ในความสงบไม่ให้มันดิ้นลนวุ่นวายไปในที่ใด ไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งภาวนานี้ตั้งใจลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจให้ทำจริงนั่งสมาธิจริงๆสงบกายจริงๆสงบวาจาจริงๆสงบจิตจริงๆ เมื่อจิตสงบกายวาจาทุกอย่างก็สงบมันเป็นที่จิตใจไม่สงบเป็นที่จิตใจไม่นึกน้อมภาวนาอยู่มันแสสายลุ่มหลงออกไปภายนอกไม่อยู่ภายในคำว่าภายในทางรูปร่างกาย ท่านหมายเอาปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุด่อดคือตัวเราท่านทางหลายนี่เลยไม่ให้มันคิดนอกออกไปจากหนังหุ้มให้โดตั้งแต่ผมขนและฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้คงอยู่โดน้ำเลือดน้ำเหลือง ดูสิ่งปฏิกูลโสโคกภายในร่างกายนี้อยู่ก็เป็นอบายพาวนาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตรู้แจ้งรู้จริงเจตใจนี้มันจะเลิกละปล่อยวางอารมณ์กิเลสตัณหาทาั้งหลายได้เพราะมารู้แจ้งรู้จริงในโลกประขันธ์อันนี้ จิตใจนี่มันหลงรูปร่างกายของตัวเองคือจิตมันเข้าใจว่าก้อนธาตุดินหนังหุ้มอยู่นี่เป็นตัวเราเป็นของเราทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เป็นของใครจิตหลงอันนี้แหละมันหลงผิดเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเมื่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวของเราแล้ว ทีนี่มันก็วุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปประคันมันก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์เพราะตัวเราเจ็บตัวเราไข้ตัวเราไม่สบายมันเข้ามายึดมาถือมันยึดถือมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนบัดนี้เวลานี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ แก้ไม่ออกแก้ไม่หลุดหลุดไม่หมดหลุดไม่สิ้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนทุกบิริยาบทเราจะต้องภาวนาไปจนถึงวันตายอยากเข้าใจว่าเรื่องเล็กน้อย ภาวนาไปปฏิบัติไปรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเอาจนตายว่าถ้ายังไม่ตายก็ภาวนาอยู่อย่างนี้แหละจะภาวนาบทใดขอดด้อใดก็ให้ตั้งใจเนกตั้งใจเจริญตั้งใจพินิจพิจารณาในสิ่งที่ตนยกขึ้นมาเป็นอุบายภาวนานั้น จนให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ให้ตลอดลอดฝั่งรู้ให้ทั่วถึงจิดใจนั้นจึงจะยอมสงบตั้งมั่นได้คือไม่ให้เพียงแต่ว่าเห็นผิวเผินดูทางในในหนังเนื้อเข้าไปมันเป็นอยู่อย่างไร มันตั้งอยู่อย่างไรเดี๋ยวนีนจิตใจไม่รวมไม่สงบมันเห็นแต่เรื่องภายนอกมันโยภายนอกมันไม่อยู่ในใจไม่โยภายในไม่อยู่ในตัวไม่โยภายในหนังหุ้มเข้าไปมันโลเลโลเลอยู่ทางนอกตัวกูตัวฆ่าตัวเราของเรา ตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนเมื่อวนาเพ่งดูให้ดีวัตถุเข้าของของมนุษย์ที่สมมุติว่าเป็นของเราเป็นของมนุษย์ผนที่สดมันไปจบลงที่ไหนมันเป็นสมบัติแผ่นดินผนที่สุด <c oughs> ก็ลองสู่เป็นแผ่นดินเมื่อมันเป็นแผ่นดินเช่นนี้เรีวว่าสมบัติทั้งหลายที่จิตนี้หลงผิดคิดว่าเป็นของเราแท้ที่จริงมันเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อมันยังไม่แตกไม่ตายมันก็อยู่บนแผ่นดินนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อตายแล้วก็ถมแผ่นดิน ไม่ไปไหนเผาไฟก็ลงไปสู่ดินไม่มีใครเผาทิ้งไว้นานเข้ามันก็ลงเป็นแผ่นดินภาวนาดูนึกดูจเจริญดูทำใจให้สงบระนับจึงจะเข้าใจทําไมอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจตลอดกาล เือจิตไม่ยอมรับรู้รับเห็นที่ว่าไม่ใช่ของเราสมบัติที่มนุษย์หลงอยู่มันลงเป็นแผ่นดินเมื่อไม่ไปสู่แผ่นดินมันไปสู่ที่ไหนคนตายแล้วมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าบนอากาศหรือโลกประขันอันนี้ยังไม่ตายมันก็อยู่บนแผ่นดิน สร้างบ้านสร้างเรือนที่ยอยู่อาศัยมันก็อยู่บนแผ่นดินเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างที่อยู่อาศัยเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างมาทําเป็นผ้านุ่งผ้าหม่มเอาธาตุดินธาตุน้ํานั่นแหละมากินอยู่บนแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินเจ็บไข้ได้พยาธิอยู่บนแผ่นดิน ตายแล้วก็เป็นดินยังไม่ตายมันก็เป็นธาตุดินอยู่แล้วธาตุดินน้ำไฟลมมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเจ้าตัวจะยังไม่กำหนดพิจารณามัวเมาไปตามอำนาจกิเลสอยู่ตลอดการก็ตามแต่ธาตุดินน้าไฟลมกาย วาจาจิตของบุคคลเรานะ่ะมันก็อยู่บนแผ่นดินธาตุร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมากดดินดินน้ำไฟลมจองดูจองรู้เสียในขณะนี้เลวก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันแจ้งอกแจ้งใจอย่าให้มีแต่อะไรอะไรก็สงสัย สงสัยโน่นสงสัยนี่เคอจิตไม่สงบก็สงสัยตลอดการจิตไม่เย็นไม่สบายไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันสงสัยอยู่นั่นแหละรวมจิตเข้าไปรวมใจเข้าไปคําว่าจิตคําว่าใจมันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้รู้ว่าจิตว่าใจ คนเรามีใจใจมันเป็นยังไงอยู่ยที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนทำไมเวลาเสียงกระทบมันจึงรู้สึกเสียงนั้นกระทบเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั่นเองก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา เรานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจมันก็ได้ยินอยู่ในใจนั่นแหละถ้าใจไม่คิดไปทางอื่นถ้าจิตไม่รวมไม่สังวรระวังมันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนึกภาวนาอยู่ที่นี้มันก็ไม่อยู่ที่นี้มันไปที่ไหนไม่รู้เพราะมันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา ขาดวิชาในทางพุทธศาสนาคือไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติไม่เข้าอยู่ในกายคือไม่ดูกายไม่พิจารณากายของตัวเองพิจารณาดูเห็นได้แต่นอกกายนอกออกไปเท่าไรเท่าไรมันรู้เห็นแต่ความรู้เห็นเหล่านั้น มันรู้เห็นไปตามอำนาจกิเลสลาคะลาคะตัณหามันพาให้ดิ้นลนวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเองลาคะกีนาไฟคือลาคะมันไหม้หัวใจโลกอยู่ตลอดกาลไฟโทสมันไหม้อยู่ตลอดกาล เพราะไม่ภาวานาดับไม่ภาวานาละในใจมันก็ลกไงอยู่ไฟโมหะอวิชชาตัณหามันก็ไม่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทไม่อยู่ในใจที่ไม่เลิกให้ละลาคโทสะโมหะให้หมดให้ใสให้สะอาดนั่นเอง เป็นไฟเป็นของร้อนกระพุทธิเจา้าพระองค์ทรงตัดว่าร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยลาคกีนาไฟคือลาคะร้อนด้วยโทสกีนาไฟคือโทสะร้อนด้วยโมหะกีนาไฟคือโมหะมันร้อนอยู่ในตัวร้อนอยู่ในใจไม่เย็นไม่สาบาย ไม่เข้าถึงพุทธอพุทธะพุทธอพระพุทธเจ้าู้โรโยในตัวในใจนั่นแหละเมื่อเข้าถึงตั้งนั่นโยในจิตใจดวงพุทธะนี้เสงอื่นใดนอกจากจิตใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนของเราจงเลิกและปล่อยวางถอดถอนทิธิมานะเหล่านี้ออกไปให้หมดสิน้นถอนกีรติความโกรธความขัดเคืองในใจออกไปให้หมดสิน้นใครจะว่าร้ายว่าดีให้ก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของลมปาเกเจตยาไปรับเอา ภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนตนถอนตัวกูของกูตัวค่าของข่าตัวเราของเราออกไปพุทธทอจิตเป็นหนึ่งพุทธอจิตลู่แจพุทธอจิตลู้จริงพุทธออยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทธทนอกกายนอกใจไปพุทธทอไม่ต้องดูที่อื่น พุทธดูตายให้ทั่วถึงพุทธดูวาจาที่ตัวเองพดูพดพุทธดูใจที่จิตใจมันคิดคิดภาวนาพุทธะในใจหรือไม่มันคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวียนแก่ใครอยู่เดี๋ยวก็รอดให้คนนั้นสักตัวนั้น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 แต่น้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกงามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นหอมต่างหากว่าท่าเวลามันป่อยเผลอย่างนั้นแหละเราจะไปนั่งอ <c oughs> ยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าทา่า หรือจะเป็นนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากก็กินไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกันคอนที่เกิดมาในโลกเหมือนกันหมดเมื่อยังมีชีวิตร่างกายนี่มันจะแตกกันเปลี่ยน แรงกันไปบ้างแต่ว่าเมื่อแตกตายแล้วเหม็นเน่ามันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดท่านจึงให้ว่าพระธรรมคำสอนของปุท ธ, ธิจ้าท่านให้น้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจให้สงบตั้งนะ จิตใจที่ไม่สงบตั้งมั่นคือว่าจิตมันไม่ดูไม่พิจารณาความจริงมันจะพิจารณาไปตามไม่จริงคือของปลอมของปลอมของแปลงคือว่าของภายนอกเป็นของหลอกลวงของไม่จริงของจริงมันมีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้ทั้งนั้น นามารูปังอนิจจังของจริงนามรูป ก, กายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้เมื่อจิตไม่โยไม่รวมไม่สงบมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันไปไหนมันหลงหลงกายตัวเองยังไม่พอหลงกายคนอื่นหลงวัตถุภายนอก ต่อไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตายแล้วก็หลงไปตามความหลงอันนั้นความหลงอันนั้นเราก็พามาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นหลนวุ่นวายไปเหมือนกับเราเกิดมาพบนี่ชาตินี่เหมือนกันหมดผนที่สดแกหรือไม่แกเด็กก็ตามถึงเวลาตาย ก็แตกดับตายไปอย่างนี้จงดูจงรู้จงเห็นอยู่ในตัวในใจนี่เมื่อใดวันไหนเวลาใดจะรู้พระพุทธองทรงตรัสว่าที่รู้แจ้งรู้จริงมันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตเป็นรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันทันปัจจุบัน แจ้งปัจจุบันเห็นจริงในปัจจุบันพุทธโธในปัจจุบันธรรมโมสังโฆในปัจจุบันไม่ใช่พุทธโธธรทมโมสังโฆอดีตอนาคตอยู่ที่อื่นโน้นพุทธโธธรทมโมสังโฆอยู่ในตัวอยู่ในใจภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม่ ว, ว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่ก็ภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเตือนใจดวงนี้ยาได้ประมาเตือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้น มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม้วนเข้าไปเรื่อยไปมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอย่าเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามารณะภัยคือความตายนะั้นมันไม่มีต้นมีตอมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่บุญกุศลย่างรักษาไว้ไม่ให้ตาย จะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่แง่นั่นแหละไปอวดดีไม่ได้ต้องเรียบทําเรียบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักป จ, จุบัตินั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ เดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาในใจได้ไม่ใช่ได้แต่คำพูดมันได้ในตัวในใจตลอดเวลาไม่มีคนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติมันเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นผู้ประกอบกระทำแต่ไปปล่อยให้มันง่วงเหงาเหานน้านอนฟุ้งซ่านลำคาบ ก็ไม่มีเวลาทําดูใจที่มันอ้างการอ้างเวลายังเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ทําเมื่อไรก็ได้ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่คงจะไม่ตายง่ายง่ายทเมื่อไรก็ได้ทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําหันขึ้นมา หรือตายอุปเทวเหตุขึ้นมาแล่ะมันจะทันได้อย่างไรถ้ามันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาช้าก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็กลางวันไม่ภาวนา เมื่อไม่ภาวานากลางคืนกับกลางวันไปภาวานาที่ไหนโลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวันมืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมุตินั้นนั่นก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีอยู่เท่านี้แล้วเอาทั้งกลางวันกลางคืน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 จะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นลูกปะขันหยาบหย า, ามันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดทำกลางภาวะเป็นอยู่บันปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันอยังคำ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 มอดินย่อมมีเวลาแตกโรูประขันโรปนามกายใจของคนเราทุกคนมันคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดเวลาแต่ได้อาศัยความประมาทมัวเมาในใจเป็นเครื่องอยู่จึงไม่รู้สึกตัวไม่มีความสลดสังเวเป็นจิตใจแข็งกระด้าง มืดมนอ่อนทการทั้งกลางวันกลางคืนไม่ภาวนาไม่ชำระจิตใจดวงนี้ให้พองใสสะอาดใจอันนี้มันก็หลงอยู่อย่างนี้เมาอยู่อย่างนี้ลืมตัวลืมตนลืมกายลืมจิตหลงตายหลงตายไม่ได้นั่งตายก็มี บางคนนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายกดตายเอาดือด้อๆอย่างนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาเอออ่านั่งลมลงก็าตายนะความตายมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรเมื่อถึงเวลาความเป็นเด็กเป็นนุมมันก็สู้ไม่ได้ตายได้เหมือนกัน แกลาหรือไม่แกชลามันก็ตายได้ตายไม่ใช่แค่คำพูดเวลาจะตายจริงๆมันเจ็บจนเหลือเจ็บมันเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายสบายตายมันไม่มีที่สบายก่อนที่มันจะตายโรคบางอย่างบางประการนั้นเรียกว่าเจ็บที่สุด เหลือเจ็บเลยเจ็บไปมันก็เลยให้ชื่อว่าตายเดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตยอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันก็ตายไปทีละเล็กละน้อยมันตายปิดบังมันปิดไว้บังไว้มาให้ยิตใจรู้เห็นมันตายมาโดยลำดับลำดับ คนเราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วก็คลอดออกมาคือว่ามันตายออกมานั้นเนี่ตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกตายอยู่ข้างนอกไม่นานเดี๋ยวก็คืบคานยืนเดินไปมามารอวันตายอยู่ข้างนอกอีกไม่นานมันก็ตาย อายุไม่ถึงร้อยปีตายแล้วถ้าใครอายุยืนสักร้อยปีเดี๋ยวเราจะได้ยินว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละพระองค์นั้นตายไปเนนอง์นั้นตายไปแม่ขาวนางชีคนนั่นตายไปแม่ดำแม่ด่างตายไปอถ้าผู้ยังไม่ตายมันเกิดลูกเห็นถ้าใครตายมันก็แล้วไป แต่มันไม่ใช่แล้วตายวันนี้มันก็เกิดมาอีกวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่อีกมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการกินการนอนวุ่นวายภายนอกพิดกันเถียงกันแย่งกันอะไรต่อมีอะไรมากมาย จึงให้เชื่อว่าพาลาฮเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาละอันหนะักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนี่แหละขันขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี่ละ่ะมันเป็นก้อนทุกไม่ใช่สุขที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้น ทุกมันเต็มไปหมดนั่งเป็นทุกในเวลานั่งกินเป็นทุกในเวลากินสแสวงหามาเป็นทุกในการสแสวงมาหามาประมาทไม่ได้่าไปเข้าใจว่าตัวเองสุขสบายมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ตายภายในร้อยปีกัน มันเลยไปได้ที่ไหนเลยไปก็ไปตายยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายเด็กก็ตายนมก็ตายแกชะลาก็ตายพระก็ตายได้เนร์นก็ตายได้ผ่าเ้านางชีไครก็ตามเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเวลาถึงเวลาตายมันไม่ใช่ จะภาวนาพุทโธมันวุ่นวายที่สุดวุ่นวายก็คือว่าจิตมันไม่ยอมตายไม่พิจารณาความตายเมื่อไม่พิจารณาความตายความตายมาถึงเข้ามันไม่ใช่สบายหลอวนนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อความตายเข้ามาถึงเข้า หรือรู้ว่าเหตุทยต่างๆมาจะถึงตัวของเราเป็นวันตายขณะวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้นอนอยู่มันก็ไม่หลับล่ะเพราะมันจะตายเหตุการณ์แห่งความตายมันเป็นร้อนเป็นของร้อนของไม่ทไให้ภาวนาจริงๆแล้วก็ทุกข์แทบตายนั่นเองล่ะ จึงให้พากันเลียดเล่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสอันใดก็าตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟโดแต่ไฟผ่านลอก ใครพลั้งเผลอไปเหยียบย่ำไฟไฟก็ไหมเอาไม่เอาถึงตายก็ไล้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่นละมันไหมหัวใจมันไหมทางกายด้วยไหมทางวาจาด้วย มีอะไรมันไม่หมดหละไฟไฟภายในมันไหม้ข้ามพบข้ามชาตตายแล้วมันก็กลับไปไหม้ต่อไปอีกไฟราคะโทสะโมหะท่านเจึงไห้ชื่อว่าไฟหม้อนรกมันไหม้ทุกคอนไหม้ทุกหัวใจ เมื่อใครไม่ต้องการให้ไฟเหล่านี้ลุกไหมก็คือว่าภาวนาสงบกายอยู่ในหลักของสีสงบวาจาอยู่ในหลักของสีสงบจิตสงบใจอยู่ในหลักสมาธิภาวนาแล้วว่าอยู่ยในตัวอยู่ในใจอยู่ด้วยการภาวนา ไม่ใช่อย่เฉยๆไม่ใช่อย่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในหนังหุ้มดูก้อนทุกกองทุกของตนอยู่ทุกเวลาวันไหนเวลาใดมันจะเข้าถึงความแตกความทำลายเราไม่รู้เพื่อรู้แล้วมันเอาไม่ไหวล่ะสู้ไม่นะ ต้องเรียบเร่งตั้งอกตั้งใจอย่ามามัวสะทกสะทานกลัวภัยอันตรายอยู่ไม่ภาวานาทำความเปลี่ยนละกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นกิเลสเล่าร้อนเผามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเพราะความไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นโทษเป็นร้อนอยู่ในหัวใจ เหตนั้นวันใดเวลาใดคืนไหนให้รีบเร่งไม่ต้องไปรอรอให้มันเจ็บเชื้อก่อนไม่ได้รอให้มันแก่เชื้อก่อนก็ไม่ได้รอให้มันใกล้จะตายก็ไม่ได้ไม่ต้องลังรอเพาะวนาเรื่อยไปละกิเลสความโกรธให้มันหมดเชื้อก่อน ละกิเลสความโลภโลภะตัณหาให้มันหมดเสียก่อนจึงให้ถึงวันตายทาไมอย่างนั้นตายแล้วมันก็มาทุกมาเดือดร้อนต่อไปอีกไม่ใช่ว่าตายแล้วมันแล้วไปเหมือนเรามองเห็นซากศพผีตายมันแล้วแต่เวลานั้นแต่ว่าจิตมันไม่แล้วจิตลาคะจิตโทสะจิตโมหะ มันไม่แล้วนะมันดิ่นอยู่ด้วยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่มีที่จบที่สิน้นตายเกิดตายเกิดนับไม่ถ้วนแล้วมันก็ตายเกิดต่อไปมันก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะอํานาจของกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเป็นอํานาจใหญ่ที่สุด ต้องภาวานาให้เข้าใจปฏิบัติในจิตในใจของตนให้มันคล่องแคล่วว่องไวมันทันการเวลาอยู่ไม่ยอมลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อนนานาจกิเลสเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวานาไม่มีความท้อถอย ไม่ว่าเท่าสายบ่ายคำ่ำกลางคืนกลางวันก็ภาวนาอยู่ในใจพิจารณาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนไข้คนพับพระจากกันร้องให้น้ำตาไหลคนตายร่วงแล้วแต่เป็นธรรมวินัยชัตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทางนั้นให้น้อมนึกลำลึกโยในตัวในใจให้ได้ จิตใจก็จะสบายฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปพินิจพิจารณาให้ทั่วถึงลึกซึ่งก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงนาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศละชนียะถาวะิวาหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกบปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปมามเวยวสัมมิตตุสัพเพปูเรนตุสังกตา ยันโทปันนัลโสยถามณิโชติระโสยัตาสัพจิตโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยจุกิธิคายยูกพวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายโนจ ต, ตารูธรรมาวัตันติ อายุวันโนสุขังภาลัง